กับหลานชายของเขากาะละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆยังมีพ่อไม้คนหนึ่งอาศัยอยู่ชื่อว่าแจ็คแจ็คเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของคนในหมู่บ้านพวกเขาให้ฉา ย, ยา ว, ว่าแจ็คผู้ร่าเริงเนื่องจากเขาอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์ใดเป็นไงบ้างแจ็คผู้ร่าเริงกำลังไปตกปลาเหรอโอ้ข้าอยากไปไว่ายน้ากับพวกปลามากกว่าดึงมือขึ้นมาจากน้ำนะ นายเยี่ยมมากแจ็คโชคดีนะเพื่อนเช่นกันนะแจค็คผู้ร่าเริงจอกไปไหนเหรอกำลังจะกลับบ้านฝากทักทายแฮนเซลด้วยนะได้สิแน่นอนแจค็ครักแฮนเซลลูกชายของเขามากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เขาดูแลลูกเป็นอย่างดีและไม่เคยปล่อยให้เขารู้สึกว่าขาดแม่เลยสักนิด กินบรอกโคลีของโลกสิหรือจะรอให้ปีศาจ ต, ตัวใหญ่มากินมันจนหมดแล้วมันจะแข็งแรงมากลูกอยากให้ปีศาจแข็งแรงกว่าลูกนั้นเหรอไม่ฮะผมไม่ยอมแฮนเซลได้เวลาอาบน้ำแล้วลูกวันนี้มันหนาวฮะผมไม่อยากอาบเลยลูกรักถ้าลูกไม่ยอมอาบน้ำตัวของลูกจะเริ่มเหม็นและคงไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับลูกลูกต้องการแบบนั้นเหรอ ไม่ต้องการครับวันหนึ่งขณะที่แฮนเซลกำลังทานซุปอยู่เขาทำชามตกลงบนพื้นและแตกเป็นเสียเส่ยงแฮนเซลตัวน้อยเริ่มร้องไห้ออกมาแต่ว่าพ่อของเขาก็เข้ามาปลอบอ้อ โ, โลกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อไปซื้ออันใหม่มาให้นะไม่ต้องหวงขอบคุณครับคุณพ่อเวลาผ่านไป ตอนนี้แฮนเซลเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปงามทุกๆคนในหมู่บ้านต่างเรียกเขาว่าแฮนเซลรูปหล่อดูนั่นแฮนเซลรูปหลอกำลังมาทางนี้เขาเหมือนกับชายในฝันนี่แฮนเซลรูปหล่อสนใจเอาน้ำมะพร้าวหน่อยไหมเออแน่นอนแต่ว่าเอาไว้วันอื่นนะตอนนี้ผมต้องรีบไปหาพ่อก่อนโอ้ฝากทักทายพเท่าแจกด้วยนะ อ, อได้เลย แจ็คผู้ร่าเริงตอนนี้ได้กลายเป็นพ่อเท่าแจ็คแล้วเนื่องจากเขาแก่และอ่อนแรงลงทำให้ความร่าเริงของเขาหายไปแต่แฮนเซลก็ดูแลพ่อของเขาเป็นอย่างดีและอยู่เคียงข้างพ่อของเขาตลอดที่เขาต้องการวันเวลาผ่านไปแฮนเซลได้ตกหลุมรักกับเด็กสาวที่ชื่อเอลซีพวกเขารักกันมากจนในที่สุดก็แต่งงานกัน ในไม่ช้าพวกเขาก็แต่งงานกันพร้อมกับคำอวยพรของแจ็คแจ็คมีความสุขมากที่ลูกชายของเขาแต่งงานแต่เขาไม่รู้เลยว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นไม่กี่เดือนต่อมาเอลซี่เริ่มแสดงท่าท้ของเธอออกมาเธอเริ่มดึงแฮนเซลให้ห่างจากพ่อของเขาและไม่นานแฮนเซลก็เปลี่ยนไปความรักและความเคารพทั้งหมดที่เขามีต่อพ่อเริ่มลดน้อยลงเมื่อเขาผูกพันกับภรรยาของเขามากขึ้น เอลซี LC, เริ่มควบคุมแฮนเซลเขาพยายามเติมเต็มความฟุ่มเฟื่อยและความเพ้อฝันของเธอแฮนเซลคุณจะไปไหนคะเออผมจะไปดูพ่อสักหน่อยไม่รู้ว่าท่านได้กินอะไรหรือ ย, ยังคุณคิดถึงแต่พ่อของคุณเท่านั้นแหละแล้วฉันละ่ะแฮนเซลแล้วฉันล่ะคุณเคยคิดถึงหัว อ, อกของฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้แน่นอนสิที่รักงั้นก็ได้ผมจะอยู่กับคุณนะมีความสุขแล้วนะและดังนั้น เอลซีก็สามารถแยกแจ็คออกมาจากพ่อของเขาได้เพื่อที่เธอจะได้ครอบครองสามีของเธอเพียงคนเดียวเธอเริ่มทำพฤติกรรมหยาบคายกับแจ็คและสิ่งนี้นก็เริ่มมีอิทธิพลกับแจ็คด้วยเขาไม่อยากให้ความเป็นอยู่ของพ่อของเขาดีขึ้นพ่อของคุณน่ะหลับแทบตลอดเวลาฉันทนไม่ไหวรองนักกับเสียงกรนของเขานี่พ่อเวลาหลับพ่อกรนเบาๆหน่อยได้ไหมและไม่นานแจ็ค ก, ก็เริ่มรู้สึกเหงา และแยกตัวออกมาห่างจากลูกชายของเขาเขาไม่มีใครให้พูดคุยและแบ่งปันอารมณ์ด้วยเลยหนึ่งปีผ่านไปเอลซี LC ได้ให้กำเนิดลูกชายและตั้งชื่อเขาว่าแฮร์รี่แฮร์รี่ทำให้แจ็คมีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาเล่นกับแฮร์รี่และดูแลเขาเป็นอย่างดีเหมือนกับแฮนเซลแต่เอลซีไม่ชอบความสนิทสนมของหลานปู่คู่นี้เลยแฮนเซลคุณไม่เคยรักฉันเลยสักนิดคุณนะ่ะเอาแต่รักพ่อของคุณอย่างเดียวเลย ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะที่รักถ้า ง, งั้นทำไมคุณถึงไม่ส่งเขาไปที่บ้านพักคนชราซะล่ะเราทําแบบนั้นไม่ได้นะนี่เป็นบ้านของเขาและพวกเราต้องมีคนคอยดูแลแฮร์รี่นะเอลซี่พยักหน้าและเธอตระหนักได้ว่าแฮนเซลพูดถูกเธอไม่สามารถดูแลงานบ้านทั้งหมดพร้อมกับแฮร์รี่ตัวน้อยได้ไหวคุณพูดถูกแต่ขอบอกเลยนะเราอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้ ฉันอยากให้เขาออกไปจากบ้านของเราให้เร็วที่สุดได้แน่นอนที่รักแปดปีผ่านไปหลังจากแฮร์รี่เกิดตอนนี้แจ็คเริ่มแก่ลงและอ่อนแอมากตาของเขาเริ่มฟ้าฟางหูเริ่มไม่ได้ยินแขนและเขาของเขาก็เริ่มสัน่นหลานชายของเขาเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้เขาสู้ต่อไม่นานสุขภาพของแจ็ค ก, ก็แย่ลงอย่างมาก มือของเขาสั่นมากจนไม่สามารถถือช้อนได้เวลาที่ทานอาหารวันหนึ่งขณะที่กาลังนั่งทานอาหารเย็นอยู่บนโต๊ะเขาแทบจะจับช้อนไม่อยู่และทำให้ซุปหกใส่ผ้าปูโต๊ะนั่นทำให้เอลซี่นั้นโกรธอย่างมากเลยทีเดียวโอ้พระเจ้านี่มันผ้าปูโต๊ะราคาแพงเลยนะนี่ฉันเพิ่งซื้อมาจากตลาดแล้วทีนี้ใครจะซักมันล่ะแฮนเซลพยายามปลอบภรรยาของเขาใจเย็นนะที่รัก ใจเย็นใจเย็นอย่างนั้นเหรอคุณรู้ไหมว่าฉันรักผ้าปูโต๊ะผืนนี้มากแค่ไหนแฮนเซลสูดหายใจเข้าลึกๆและแตัดสินใจว่าตั้งแต่พรุ่งนี้แจ็คจะไม่ได้นั่งโต๊ะอาหารอีกต่อไปดังนั้นในวันถัดไปแจ็คจึงต้องมานั่งที่มุมห้องหลังเตาเขาได้รับอาหารที่ใส่ในถ้วยดินเผา แต่มือของแจ็คนั้นสั่นมากทำให้ถ้วยหล่นจากมือและตกแตกเป็นเสียเส่ยงเอลซี LC รีบวิ่งเข้ามาในครัวโอ้นี่มันเป็นถ้วยดินเผาราคาแพงที่ครอบครัวฉันมอบให้เลยนะแต่แก่นี่อาศัยอยู่กับสามีของฉันและยังพลานเงินของฉันท้งอีกคุณไม่ควรได้กินอาหารบนถ้วยหรูนี้ต่อไปแล้วแต่แจ็กก็เงียบงนันและมองไปเพียงเศษถ้วยที่แตกกระจายพร้อมด้วยทั้งน้าตา ขณะนั้นแฮร์รี่ตัวน้อยได้เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่มุมห้องแจ็คเสียใจเป็นอย่างมากกับพฤติกรรมของลูกชายและลูกสะั้ยเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากคิดถึงวันวานที่แฮนเซลยังคงเป็นเด็กอ อ, อ, โ, อ โ, โลูกรักไม่เป็นไรนะโลกเดี๋ยวพ่อไปซื้ออันใหม่มาให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะวันรุ่งขึ้น เอลซีและแฮนเซลได้นำถ้วยที่ทำจากไม้ราคาถูกเอามาไว้ให้แจ็คไว้ใช้กินข้าวแต่แฮร์รี่เป็นคนเดียวที่ทำให้แจ็คยิ้มได้แฮร์รี่จะคอยนั่งอยู่ข้างๆแจ็คจนกว่าแจ็คจะกินเสร็จหลายอาทิตย์ผ่านไปและชีวิตแสนเศร้าของแจ็คก็ยังคงดำเนินอยู่วันหนึ่งขณะที่เอลซีและแฮนเซลกาลังนั่งผิงไฟพวกเขาเห็นแฮร์รี่กาลังเก็บเศษไม้ดูสิ ลูกชายของเราช่างไร้เดียงาสาซะจริงๆลูกกําลังทําอะไรแฮร์รี่กำลังสร้างบ้านให้พวกเราอย่างนั้นเหรอไม่ครับผมกําลังวางแผนจะสร้างถ้วยไม้สําหรับให้พ่อกับแม่ครับถ้วยไม้ให้เรางั้นเหรอแต่ลูกเราไม่อยากได้ถ้วยไม้หรอกนะไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับแต่เมื่อพ่อกับแม่แก่ลงผมไม่อยากให้พ่อกับแม่น่ะทําถ้วยดินเผาของผมตกแตกผมจึงเริ่มทํามันตั้งแต่ตอนนี้ไงครับสิ่งนี้แทงใจดําของทั้งคู่มาก พวกเขาเริ่มตระหนักได้ถึงความผิดพลาดของพวกเขาโอ้เอลซีพวกเราทำบาปครั้งยิ่งใหญ่อะไรลงไปใช่ที่รักเราทำสิ่งที่โหดร้ายและไร้เมตตาต่อคุณพ่อมากลูกชายของเรานะ่ะช่วยให้เราตาสว่างเรากลับใจและทำให้พ่อเขาอยู่ดีขึ้นเถอะนะดังนั้นในวันต่อมาพวกเขาปฏิบัติต่อแจ็คเป็นอย่างดีและทำให้เขานั่งทานอาหารกับพวกเขา คอยทำให้เขาร่าเริงและมีความสุขอยู่เสมออย่างที่เขาเคยเป็นแฮนเซลสาบานว่าจะดูแลพ่อของเขาเป็นอย่างดีเพราะลูกชายของเขาได้เตือนสติให้เขารู้ว่าควรดูแลพ่อแม่เมื่อยามแก่เท่าเพราะเมื่อตอนเราเป็นเด็กท่านก็ดูแลเราเป็นอย่างดี